ในตอนนี้นะครับขอรรับตัดตอนไปในศาลที่นั่มบรรณาทิารจตได้ไปขออนุญาตให้ญาติเกิดแก้วผู้เป็นพอนะครับเพื่อที่ไปในาน้นที่สร้าหลอนุญานะครับซึ่งพอเองก็ได้อนุญาตแล้วแต่ ก, ก็ไามและแตัเข่นหลูนะครับดการทีเป็นไปในั้นทำพี่นองช่วรับชุมระฟังเลยลนะครับ n o c t o r w e r o n a m e มาอย่างนั้นเลยหรอ